คืนว่าบอกกับผู้อํานวยการย่าท่านพูดนะต่อพูดมากหายชาเลยนาะงพยาบาลก็เอายานอนหลับให้ฉันฉันยังไงก็ไม่หลับเดี๋ยวมาฉี ก, ก, กงงเนี่ยฉชกก็ไม่หลับแล้วยังไงเพราะอะไรเพระสติเราดีไม่หลับหรอกเพราะอยากจะเจอโยมเขาแล้วที่โยมมาเยอะเป็นหมืนม่นๆนะตอนที่จะมาไปอยู่โรงพยาบาลได้เงินตรงสองแสนกว่าบาท คนนอนหายมาคนนี้หายมากไอทีไปเยี่ยมเยอะๆเนี่ยไม่ใช่สงสารเขาอยากจะไปดูว่าขอหักไม่ตายมันเป็นอย่างไรอย่างนี้ไม่ใช่สงสารทําไมขอหักต้องตายทำไมไม่ตายก็คนแห่ไปดูกันนี่หมายความงั้นในชุดรุ่งเชา้าตาชานมาแล้วตาชานมาเอาสื้อมามาต่อว่าจะมาครอบครัวมาหมดเลยนี่ท่านไม่น่าจะเขียนหนังสือลา นี่ใช่ไหมเนี่ยเลยมืองท่านใช่ไหมเอ๊ยยอมเปล่าไม่เคยเขียนแต่เรารู้ตัวว่าเราแผ้ไม่ตาไปขอลาเขาเป็นตัวสื้อได้ น, นะขอฝากไว้ด้วยนะเป็นได้ น, นะเป็นได้ น, นะเรียกว่าโทรจิตเลยยอมชานก็เอาใจใส่เป็นพิเศษแล้วในเวลาการต่อมาก็มาทมําบุญรับมิ่งจึงฝันให้อในนามสกุลของเตชะไปบุญก็มากหลายคน ทำบุญแล้วขวัญให้แล้วเนี่ยเมื่อทําบุญแล้วขวัญแล้วเอาสือมาด้วยตัวเสือหายไปแล้วเดี๋ยวนี้เขายังเก็บประดาษไว้เลยเนี่ยเก็บกระดาษใส่กลอไว้นะถามพระรูด้าชาญกรสีธิปะเนี่ยมันเป็นได้ไหมเนี่ยแล้วทีนี้ตมาพูดมากเขา่าเลยหมอก็ต้องหลอกอาตมาว่าหลวงพ่อไปโรงพยาบาลเลือสินเถอะเขาจะเอาเฟือกออก โอ้สบายมากเลยคือนั่นไม่ต้องนอนถ้าใครเข้าเฟือกอย่างนี้นะหนึ่งทั้งร้อนทั้งคันลองดูสิคันเอามือเกาก็ไม่ได้ล้วงไม่ได้เลยเคยเห็นรูปไหมเคยเห็นรูปแล้วใช่ไหมนะเอาเอารูปมาดูซิเอารูปมาดูเออทั้งร้อนทั้งคันพัดลมมันก็เข้าไปไม่ได้อย่าไปเข้าเฟือกนะพวกเราเนะี่ย อ้คันจังเอาไปให้อาจารย์ดูนี่อย่าบอกใครเจ้านี่ทำร้อนทำคันเลยหนุยขนาดเนี่ยอาจารย์เนื้อเราก็จะตายแล้วนะไอ้พวกที่เก็บโรงพยบาบาลดันเสือกมาขอน้ำมนต์อีกเนี่ยโอ้บอกนี่ยอมอาตามาก็จะตายยังเอาน้ำมนต์อีกเหรอเนี่ย เลยก็มุมมิดมุมมิดเหมือนเลยสีลงไปเลยนี่เห็นไหมเนี่ยเลยได้สดเขาบอกว่าหลอกอมาไปตัดเสือกก็ดีใจแหมมันหนักทั้งร้อนทั้งคันคันก็เกาไม่ได้เนมือล่วงเข้าไปไม่ได้เลยขอเขาให้ทําที่สะดือหน่อยเปิดสะดือหน่อยครับบาทีมาปิดนี่แน่นหายใจก็ลําบากเนะเนี่ยอย่างงี้ยเขาจะตัดตรงนี้ให้หน่อย พอไปถึงโรงพยาบาลเลิศสินกั้งที่สองหมอบอกหลวงพอ่อเอาเฝืองออกเนาะโอ้ยชื่นอกชื่นใจพอเฝืองออกแล้วหลวงพอ่อมันจะหายชาเข้าไม่โอ้โหเพิ่มอีกห้ากิโลตายจริงเข้าหม่ทำยังไงพ่อบนญศิษะอีกห้ากิโลออกพอกลับมาสิงห์บุรีน่าปากไม่ขึ้นเลยพูดไม่ได้ พูดเคยมามันขบไอพ้พอนี้มันกระแทบเนะเวลาพูดเนี่ยเลยผลท่ายทำไงาอาจารย์เลยดินน้ําแสนจะยากเลยผลท้ายก็เอาหลอดกาแฟนี่นะยัดเข้าข้างก็หยดทีละหยดทีละหยดแล้วเวลาฉันข้าวทาําไงต้องงัดคำข้างเอาข้าวใส่ไปผกเคี้ยวหน่อยเลือดไหลเขี้ยวหน่อยเลือดไหลเพราะไอ้ไอ้เฟืองมันครบโดถึงายาใยเลย ไอ้หนูต้องเป็นเปรตปากเทาลุกเข็มนี่เห็นม่เปรตอ่ะมาต่อไปเอาชาติไหนาชาตินี้เห็นปากเทาลูกเข็มจริงๆอ้าปากไม่ขึ้นอาตมาชอบฉันน้ําเนี่ยโอ้โหเอาหลอดกาแฟยัดเข้าไปแล้วเที่ยวหยดเอากลวย ใ, ใส่ข้าวโอ้โหสําลักขึ้นมาเอกเห็นไหมเนี่ยนึกถึงยายได้เดี๋ยวเอาของไปถวายพระไปกินซะเองก็เป็นอย่างนี้เห็นไหมเอาปัจจุบันพูดกันก่อน แต่ในเรื่องโน้นเอาไว้พูดทีหลังเนี่ยอย่างนี้ในเวลาการต่อมาอาตมากอธิฐานจิตเรื่อยๆอยู่ที่ส่งกุศลให้นกและให้เต่าตอลอดรายการห้าสองวันกลับวัดได้กลับแล้วหมอให้ไอส้สวมคออีกนะไอ้เนี่ยสวมคอไอ้ปลอกคอถ้าหมอเห็นใส่ถ้าหมอไปถอดอย่าไปใส่ใช่นะเดินเหมือนผี เหลียวก็ไม่ได้โดนตัวแข็งเทอกันเลยอย่าไปใส่เนี่ยปลอกคอเนี่ยเลยสุดก็กลับมาวัดกลับมาทำไมใช่หนีต่อไปเลยยมฌานเหน็นว่าขุนใจจะมาเปิดศรัทธา ต, ต่อมาก็สร้างหอประชุมขึ้นมาหลังจากปีที่คอหักแรงเขาไปยาจะใช่หนีประชาชนตอนพระอาจานย์เทิมศพหลวงปู่วแหวนต้องมากินข้าวที่หนีพันกคน ใช้นี่ไปนะแล้วเป่ายานกรอกเพชรเลืสีเ ล, ลิงดํามากินข้าวนี่พันกว่าคนมาเรียแล้วนี่พระทานเพิงศพท่านเจ้าคุณสุพรมยานธิระกินข้าวนี่พันกว่าคนที่นี่คลายว่าสถานนีชุมทางพาชีมาที่ไหนก็ไหลลงมาศูนย์กินข้าวที่นี่เสร็จตอนพระราชานเพิ่มศพแล้วปูแหวนมากินข้าวมาไม่ทานต้มเข้าต้มใส่รถมาตุนกาแฟไปอีกเอาไปเลย ใช้นี่ให้หมดหมอ้อสองหูนี่สองหมอ้อเต็มๆรถคันนี้มาไม่ทันก็เอาไปกินในรถช้อนสองร้อยคู่จานสองร้อยลูกจนบักนี้ไม่เคยมาส่งเลยเลยต่างมาก็ตัางใจถวายสังฆทานด้วยความจำใจเน่ยดี๋ยวนี้มันมาส่งแต่ไม่ว่าเขาจะไปรั่วรถที่ไหนแล้วมาส่งที่ไหนก็ไม่รู้อะนะใช้นี่เขาไปอย่าไปว่าใครเลย ในเวลาการต่อมาขาหักอีกเนี่ยขาหักไปไงไม่เดียไปโดนอะไรขาหักไปที่บอ้อนอเภอปักไฮนะจะไปเอาน้ำปลาเขาให้น้ำ ป, ปลามาเลี้ยงกันที่นี่ยี่เสี้วกับเป๊ะอาตมาตกอันไดก็ขาก็ไม่หักทำอะไรก็ไม่หักร่องมีสักนิดหนึ่งไอ้ตรงที่เลยบันไดก็ไปหน่อยเสื่อกเอาขาลงไปย่าเออ พี่กอนนี่บทมีกรรมใช่ไหมล่องนิดเดียวเด็กก็ยังลงไม่นานขาแล้วอยากจะแทะเสื้อลงไปเลยกระดาษมันถูกพอลงไปทํางานหมอหลูกสบ้าหลุดเลยนี่หลูกสบ้าหลุดเลยแล้วเจ้าของบ้านไม่เห็นแต่เห็นเนาะอายก็ตายเจ้าของบ้านวิ่งเข้าไปในเรือนเตาเสื้อมาปูงรับอาสมาโอ้โหบันไดสูงที่ปังหายนี่เองต้องลถต้องไปจอดวัดทีโพนต้องข้ามไปจ้างมา วัชิโพลเห็นไหมเนี่ยแล้วต้องเดินกระจาขึ้นสูงเจ้าของบ้านดีใจยราเอาส่วนในเรือนเราก็เดินไปถ้าเป็นเด็กก็หาว่าซุ่มสร้างถ้าเป็นผู้ใหญ่เรียกว่าเคราะห์ลายผู้ใหญ่ฉันมากกินมากก็จเจริญอาหารถ้าเด็กกินมากก็ตะกละตะกรามเนี่ยก็เข้าหลักนี้เลยต่อมาก็นั่งเขาเพียบคุยเขาอย่าบอกใคร น, นะขาหักเนี่ย หัวใจเลยจะนํามาจีบโอ้โหปวดที่สุดน้ำตาร่วงเลยนะบอกให้แล้วทีนี้ก็เขาไม่ทราบครับแต่ทมาไม่บอกแล้วทีนี้พอเขาจัดนํำปลาเสร็จแล้วขอลาลงบันไดไม่เป็นไรเวลาขึ้นตะลิงน้ำตาร่วงเลยกล่าวขึ้นเนี่ยปวดที่สุดโชฟเฟอร์ก็ไม่รู้ไม่เล่าเดี๋ยวมันจะไปพูดที่อื่นบอกอะไรซุ้มซ่าไปตกกระไดบ้านเขาเออพีก่กอ เลยนั่งรถมาโบสถตลอดทถ้งวัดพอหน้าเซี่ยเลียตมาก็ขึ้นจำวัดเลยบอกเขาเลยในผู้นวยการคนเก่าก็มาบอกว่าหลวงพ่อไปใส่เหล็กจะผลจะผ่าตัดให้เอาใส่เหล็กจ้ะมาเอาปล่อยซูซี่จะหายไหมเดือนเศษตมาเดินเขาโบสถเนี่ยเดินเนี่ยเพป้อป้อลูกสบ้ามันเคลื่อนเลยตมาก็ลองดูงี้เอานกไปปล่อย เอาปลาไหลปล่อยเอาเตาปล่อยแล้วก็อธิษฐานกิตได้เดือนเศษหายโดยไม่รู้ตัวเนี่ยหายไปเนี่ยขอฝากเขาด้วยเนี่ยเอาที่เอาทิศฐานกิตแล้วก็ปล่อยนกปล่อยแล้วจะไล่ไปเรื่อยๆหายได้เนี่ยเป็นตัวอย่างนี่ก็ได้ความว่า <c oughs> รอเวงกรรมตามสะดองมาเลยจะมาถึงสร้างหอประชุมเนี่ยใช้นี่เข้าไปอบรมมาเนี่ย ตั้งแต่คอหากมาลีเนี่ยสองแสนคนเนี่ยอาตมาโจทย์ไว้หมดอาทีมาอบรมการทหารบ้างนักศึกษาบ้างครูอาจารย์บ้างวิทยาครูสามสิบหกแค่แงมานี่หมดแล้วเราก็ช่วยมาอย่างเนี้ยก็ได้ผลมาอย่างนี้นี่เราพอสมควรแก่เวลาก่อนเพราะมันมีมากมายหลายประการทีนี้ก็อันตรายที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันมีห้าอย่าง ม, มีห้าอย่างอันตรายที่จะเกิดขึ้นปัจจุบัน ที่จะสนองงานเนี่ยมีห้าอย่างหนึ่งกิเลสอันตรายอันตรายจากกิเลสโลภะโทสะโมหะสองอันตรายเกิดขึ้นด้วยอ่าโดยทิฏฐิของตนเนี่ยโดยทิฏฐิของตนทีเดียวคือความโลภความโกรธความหลงหนึ่งเกิดขึ้นด้วยทิฏฐิที่ผิดเป็นอันตรายได้เป็นอันตรายทีเดียว อริยปววาอันตรายร่วงจากพระริยเจ่าเถียงพ่อเถียงแม่เถียงครูบาอาจารย์เป็นอันตรายปัจจุบันนี้เองเรียกว่าอาริยปววาอันตรายมีอยห้าอย่างในการด้วยอำนาจกิเลกก็คืออำนาจโลกโกรธหลงเป็นอันตรายปัจจุบันสี่ทิฏฐิสามั ญ, ญาตาไม่เสมอกันเห็น เห็นเห็นผิดเป็นถูกไปเกิดที่ผิดที่ผิดรายการที่ห้าอายุบาหวานตรายเกิดตรายปัจจุบันเนี่ยคือหนึ่งจ้วงจากพ่อแม่สองจ่วงจากครูมาอาจารย์สอนเนี่ยเป็นตรายก็ยกตัวอย่างให้เห็นชัดอยู่เรื่องหนึ่งมีเวลัยครูเทสตรีมาที่นี่เมื่อก่อนนี้จะมายังไม่ได้ห้ามเขาเล่นกองไฟลูกเสือที่หลังวัดนีเองเล่นกองไฟนักศึกษาชายี่ย ระดับพอบอนะก็เมากินเหล้าเมากินเหล้าเมาเฉียบแล้วก็อาจารย์คนนี้อารมณ์ดีกินเหล้ามาอาจารย์ก็ไปบอกนื้อเธออย่าทําอย่างนี้เป็นบาปกินเหล้าในวัดแล้วก็เรามาอบรมนะเดี๋ยวเธอจะไม่ได้ผ่านปริญญานี้ลูกศิษย์คนนี้ทำํำไงเถียงเลยต่อยปลาครูเลย อปอาทันทีนี้อาริยูบางวานตรลอดตมาบอกดูแล้วก็ลองถามอย่างใจอาจารย์ดูบอกอาจารย์กลัไปเนี่ยูุสิตชกปากฟันหักสองซี่เลยอาจารย์บอกผมไม่กลัวแล้วครับเขาเมาผมออโหสี่ให้อยูย่ไม่เกินเจ็ดมันนะเด็กคนนี้เนี่ยขับมาเธอไซายไปสุบวกสิบลรอตายคาที่ทิ ท, ทวุงหัวเละใส่ไรเลยเนี่คนนี้ เห็นไหมเนี่ยต้วงจากพระฤาจ้าพระฤาจ้าจัดเป็นผู้มีบุญคุณสูงคือบิาดามารดาครูบาอาจารย์ที่สอนให้นี่นะเป็นอันตรายในปัจจุบันนี้ลองดูได้ลองดูสังเกตเด็กเนี่ยเถียงครูทำให้ตกฟ้าครูมาด่าครูรับรองตายแบบนี้ทั้งนั้นตายแบบนี้สมาสิกเกตมาสี่พันคนเลยที่ภาอบรมเนี่ยตายอย่างนี้ทั้งนั้นเลยตายโหงด้วยตายโหงด้วยเนี่ย อย่างเนี้ยอยางขอฝากกขาด้วยเนี่ยเทียงพ่อเทียงแม่ทำไห้ตกฟากอย่่งแล้วทำให้พ่อแม่นางตาน้ำตาไหลเพราะลูกคนนี้รับรองไปอันตรายแล้วธมากินไม่คืนเรียนซื้อไม่เก่งเนี่ยครูคนนี้ยังอยู่เนี่ยมาแล้วนี่ก็มาที่นี่ที่โดนชกนี่วิญยาครูเทศจิีเนี่ยเป็นพยานได้เลยเลยเด็กคนนั้นมาพอเจ็ดวัน เพราะครูไม่โตอตอบครูอารมณ์ดีแผ่ไม่ตายลุกสิบขับมาเจอทรายไปบวกก็เสียรถสิบรอใต้ชาวุ้งเองตายคาที่วัวเล็กแล้วก็ทรายทะลักอาตมา ย, ยังทำบุญไปห้าร้อยเลยแล้วช่วยผ่าตายไปหนึ่งกลายเนี่ยอุตส่าห์มอาอบรมที่นี่ติดตามอุตส่าห์ทำบุญด้วยจะไม่โกรธเ็าหรอกน่าสงสารเขาอย่ามีความหมายอย่างนั้นแล้ว <c oughs> ก็หกอย่าง โกหกอย่างเนะี่ยโกหกหลวงเนะนี่คนข้างวัดนี่เองเวลาจะไปได้ทหารเนะี่ยผู้ใหญ่บ้านกำนันบอกให้ชักให้ชักไปล้มชักเขาเขไม่เอาก็ไปชักนี่ไปได้ทหารเนะี่ยแปลงชักแล้วกลับมานะมาบวชที่นี่เนะี่ยชักกระทั้งตายเลยเห็น ไ, ไหมเนะี่ยแล้วผู้ใหญ่บ้านกำนันให้เขาชักลถความหมดเลยเนะ่ย ทางเคืองปี ด, ป ด, ปดเบี้ยวหมดนี่เห็นไ้ยเป็นกรรมใครจะว่าไม่มีไม่ได้นะนไม่มีไม่ได้อันนี้เรื่องจริงแต่เรื่องอื่นมีเยอะแยะบางคนเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจเนี่ยมันเป็นกรรมติดตัวไปแล้วอีกอย่างหนึ่งเมื่อเร็วเนี่ย เ, เดี๋ยวห้าปีมาแนละ้วอ่า พวกคณะอาจารย์ทิจุลาสำเร็จริญญาโทจุลานะที่สิงห์บุรีดิอัตมาไปที่บ้านเขาแม่เขาไปอำมาภาอุจระปัสวะเต็มหมดแม่เขาอายุห้าสิบเศษแต่พ่อเขาไปดำนานะไปดำนาแล้วอาจารย์ทิจุลาเนี่ยปริญาโทขับรถวีเอ็มมาเลยจอดหน้าบ้านพับมากันสามคน ต่อมาบอกหนูเป็นใครบอกหนูเป็นลูกเนี่ยมาทำไมมาขอเงินแม่สี่หมืนไปพิมพ์หนังสือแม่ก็ร้องไห้บอกว่าหลวงพ่อคะลูกคนนี้หมดนาไป 8, 100, แปดลอยไปร้ยไร่นี่บีเอมยังส่งไม่หมดเลยนี่มาขออีกสี่หมื่นะเนี่ยบอกหนูดีแล้วมาซักพ้ายแม่หน่อยอุจละเต็มหมดเนี่ยแม่ไปเอามาผ้าไปเอามาผ้านอนจมอุจละเหม็น เพราะสามีของเขาไปดำนายังไม่กลับลูกหาคนก็แยกย้ายไปหมดไม่มีใครอยู่บ้านทรงไทยใหญ่ด้วยอยู่สองคนเท่านั้นเลยบอกหนูช่วยซักผ้าแม่หน่อยนะซักผ้าแม่หน่อยเถอะเขาว่าไงรู้ไหมให้เพื่อนสกิปไอ้เพื่อนปริญาโทด้วยกันมาดิกัดเลยคนนี้ก็บอกว่าหน้องพ่อฮะหนูซักไม่ได้แร้วหนูจะรีบไปเผาศพอายุทยา แม่นี่นเราแคนแทนนะบอก น, นุ้ยวันนี้ใชนี่ถ้าเป็นแม่เราเนะ่พระวินัยอนุญาตให้เราซักพายแม่ได้นี่ไม่ใช่แม่แล้วถ้าเราซักมันผิดวินยัยเนี่ยเช็ดก้นได้นะเป็นต้นปิศูนี่ยทําแม่ป่วยอ า, าพาธหรืออย่างไรพระวิจารณ์อนุญาตซักผายแม่ได้ป้อนข้าวให้แม่ได้ไม่ไปอาบัติโทษบอกหนูนี่ไม่ใช่แม่แล้วช่วยซักให้หน่อยชนะไม่ยอมซักให้แม่ แล้วก็ลงอดะยไปเลยครับรถบีเอมเข้ายุทธยาไปเลยแม่ก็ร้องไห้แต่ตะมาขอตําหนิลูกก่อนแต่ต่อไปจะไม่ตําหนิลูกเป็นกฎแห่งกรรมซ้อนกรรมมาเนี่ยตะมาพอลูกไปแล้วก็ถามโยมถามจริงเนี่แม่ของโยมเปลาอตายเป็นอมภภาพย่างฉันนี่ข่าตายค้าอุจจระภัสวะเลยข้าแล้วแกก็ร้องไห้เห็นไหมเนี่ยขอถามโยมต่อไป เคยซักพายแม่รือไม่แกร้องไห้เลยเปล่าเลยนี่เห็นไหมเนี่ยนี่อย่าลืมนะพ่อแม่สรางกรรมไว้กับลูกทาถูกไว้กับล้านเห็นไหมเห็นชัดมากในสูตก็เล่าว่าบอดีชัดแรกๆนี่อยู่กับยายอีกตำบลหนึ่งแม่ดิชั้นเนี่ยก็เป็นอามาพาดอย่างนี้ทีนี้มาดูแม่แล้วก็กลับไปไม่เคยซักให้พายแม่อยู่กระทั่งตายเลยมามีลูกเขามันก็ไม่ซักให้เห็นไหมเนี่ย ก็เป็นโ ก, กรดจำของแม่โปรดจำไว้ด้วยโปรดจำจำไว้ด้วย <c oughs> อันนี้มันมีเหตุผลทางนั้นแตมาที่สอนเด็กนักหนูอย่าสร้างกรตำเลยเนาะถ้าต้องการจะเป็นใหญ่เป็นโตเรียนสวอเก่งก็เรียนตาวหน้าอย่าสร้างกรตำโดยทีนี่ทีนี้คณะอาจารย์เคยสังเกตไหมถ้าเราไปเรียนหนังสือเนาะเถียงครูเถียงอาจารย์คำไม่ตกฟ้าพอไปเป็นครูแล้วลูกศิษย์มาเถียงคำไม่ตกฟ้าลองสิ ลูกิษมันเที่ยงเอาร้องไห้ไปหลายคนแล้วนี่เหตุผลน ะ, อ ะ, อะตอนวันนี้ตอนนี้มันก็ดึกแล้แลวเราก็ข อ, อยุติไว้ก่อนอและพวกคุณหนูนะคุณศาสต์ตั้งใจเรียนหนังสือไปเถอะ มาตรวจมนไหวพระไหวเรียนซื้อไปอย่าไปเอาอย่างของพ่อไม่ได้มีโรงเรียนป่าโรงเรียนยูมันหมดเลยแล้วไม่จบด้วยเนอเลอะ เยอะเรื่องมเยอะนักเรียนมีอะไรถามหลวงพ่อไหมครับนี่อาจารย์เอาหนังสือแจกด้วยหนังสือมารยาทยถ้าโดยล่เหตุผลบางทีมีพระอาจารย์บางองค์ท่านบอกสวดตัดกรรมได้จะไม่มีเวรกรรมต่อไปไม่จริง อ้คว่าตัดกรรมนั่นหมายความว่าตัดอย่างนี้เราจะไม่สร้างกรรมต่อไปแต่กรรมเก่าเนี่ยต้องใช้แน่เหมือนเราไปไปนี่เข้ามานะในยกปุทาหอนให้ท่นานทั้งหลายเข้าใจง่ายงายยกตัวอย่างก่อนวันเราไปขยิ้มเงินเข้ามาร้อยบาทนะขยิมเงินเข้ามาร้อยบาทแต่เราไม่มีจะให้เขาจะทำอย่างไรจะแก้กรรมนี้ โดยวิธีปฏิบัติและเชิงปฏิบัติการก็ต้องทําอย่างนี้คนอื่นก็จะเห็นใจโอ้โหสิกรรมได้ยกตัวอย่างว่าเราไม่มีเงินมีทองยากจนนะก็ไปขยิ้มเงินเขามาร้อยบาทขยิ้มมาใช้หมดแนละ้วก็ไม่มีโอกาสจะเอาไปกลับไปใช้หนี้เขาแต่คนนั้นเกิดมีคุณธรรมก็ไปรับใช้บ้านนี้มีงานอะไรก็ไปช่วยเขาตลอดเลการ เขาจะหยิบอะไรก็ช่วยเขาหยิบเสียทําอะไรก็ช่วยที่อาชญาสายโดยคุณธรรมใช้ธรรมะเอาไปสู้เอาความรู้เขาไปแก้กลับล่ากายดีมั่งมีศีกุลยกตัวอย่างนั้นไปช่วยเขาตลอดรายการจเจ้าทรัพย์ที่เขาให้เรามาเขาก็จะเห็นใจในเมื่อเขาเห็นใจแล้วเขาจะไม่คิดดอกกับเราจะไม่คิดแน่นอนถ้าเรามีสองคูณเพิ่มคูณบริบูรณ์ไปช่วยอกีก ต่อไปโดยเขาเห็นว่าเราไม่มีเงินกลับไปใช้นี่ได้เขาจะโหสิกรรมจะยกให้เราได้ทันทีคือโหสิโหสิกรรมบางคนไม่เข้าใจเรื่องนี้เลยนะนี่เก่าก็ดีนี่ใหม่ก็ดีถ้าหากว่าเราทำได้โดยโหสิกรรมโดยไม่มีผูกพันกันเขาก็โหสิกรรมให้เราได้ก็หมดเวรหมดกรรมได้นี่ยกตัวอย่างให้เห็นสมมติว่าท่านทั้งหลายเป็นเจ้าของเงิน ยกตัวอย่างว่าท่านทั้งหลายเป็นเจ้าของเงินแล้วให้เงินเขาโก้ไปหรือเขายืมไปนะแต่เขาเหล่านั้นหาได้ทิ้งเราไมา่มีงานเขาก็มาช่วยเราตลอดรายการโดยไม่มีเงินมาผูกมัดแลือหมายให้เราหนึ่งเริ่มต้นแะล้วเขาจะต้องยกดอกให้เราจะเห็นใจเขาประการที่สองถ้าเขาช่วยเราสองคูณเลยทัง โอกาสอันใดกําลังกายมาช่วยกําลังใจช่วยเราต่อไปเราจะเห็นใจไม่ใช่น้อยในเมื่อเห็นใจเราจะโหสิกรรมจะยกให้เขาได้เลยนี่เหตุผลนะเอาเหตุผลทางโลกมาก่อนแต่ทางธรรมน่ะทางธรรมไม่มีจะให้เราก็สร้างครูสอแผ่ไปแผลไปเขาเราไม่ได้โกงเขาแต่ประการใดบางคนเนี่ยขยิมเงินเข้ามาแล้วไม่เคยเจอหน้าเขาเลย หนีเลยหลบเลยนี่ทําให้เขาโมโหทําให้เขาเกิดกําผูกพันกับเรา น, นี่เหตุผลนี่เห็นชัดนี่มีตัวอย่างนะมีตัวอย่างทางโลกด้วยหลายอย่างหลายประการนะมีตัวอย่างและอีกประการที่สองยกตัวอย่างอีกเขาก็ยืมเงินเราไปหนึ่งล้านบาทหนึ่งล้านชิลิบแต่เราก็ได้หาดูรู้ไหมว่ามาชาติก่อนเราเขายืมเขาหรือเปล่าเนีเต้องรู้ด้วยแต่เรามีสติจะรู้ได้ เขาเขายืมเงินเราไปหนึ่งล้านบาทเป็นคนจกนนี่ยกตัวอย่างให้เห็นนี่คนกรุงเทพเอาเงินให้เพื่อนแท่เดียวแท่ตังค์ให้หนึ่งล้านบาทแล้วเพื่อนนั้นก็ไปไประกอบอาชีพการงานขาดทุนด้วยับไม่มีเงินกลับมาคืนเลยนะแล้วสามีภรรยานเนี่ยเป็นจีนเนาะเคยมาที่วัดนี้อาตมาจึงรู้อย่างนี้ก็เครียดแค้นนะไปทวงยังไงก็โกรธจาหลัก อาจะมาว่าเป็นมิตรเมื่อยามกู้เป็นศัตรูเมื่อยามทวงจองโกรธกันหนเดียวอย่ากโกรธหลายหนเป็นมิตรเมื่อยามกู้เป็นศัตรูเมื่อยามทวงเวลากู้แล้วหนมะเป็นมิตรกันเช่นนะีเวลาทวงก็เป็นศัตรูเลยนะอันนี้เราก็น่าคิดเป็นคําคมของคนโบราณ เนะีเป็นมิตรมายามโก้เป็นศัตรูมายามทวงลุงพ่อครับที่ที่บางคนนี่ไปแก้กรรมโดยวิธีใช้บางสกุลเป็นก็ดีเสดข้อก็ดีจะช่วยได้ไหมครับไม่ได้เช่นเอาพระขาวมาคุมอะไรเงี้ยไม่ได้แต่ต้องรู้จากคําว่าบางสกุลเป็นครับถึงจะรู้เหมือนอย่างขอระทานทอดเราจะไป ท, นานทไปไปํานาละทําไม่เป็นแจงไปค้าขายเป็นนักธุรกิจทําไม่เป็น ไม่รู้วิธีค้ไม่รู้วิธีขายไม่รู้วิธีเป็นนักธุรกิจเจ๊งต้องรู้ก่อนบางสกุลเป็นบางทีหมอดูเขาบอกเพราะหามยามลายนะเพราะหามยามไล่นะก็ไปให้ทราบางสกุลเป็นที่เราเรียกกันว่าต่ออายุเรียกว่าต่ออายุอย่างนี้เจ้าของต้องรู้ด้วยต่ออายุนี่หมายความมาต่อนามคนนั้นขาดสติแล้วไม่มีสติแล้ว ก็ต่อขึ้นมาสวดก็ให้แต่ ก, กำลังใจเท่านั้นเป็นกำลังใจถ้ารู้ซึ้งเกิดไปก็จะเห็นเหตุผลได้ว่าเป็นความจริงเหมือนกันแต่ทีนี้โดยเหตุข้อปฏิบัติถ้าคนไหนรู้ว่เคราะห์รายนะาะหามยามลายหมอดูก็บอกไว้เราก็ต่อเองสวดมนต์เลยสวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรเสี้ยตั้งสติซะบนลานเขาบอกทํามิ่งจึงขวัญ ขวัญเอออยู่กันเนื้อกับตัวนะลูกนะนี่คนตกใจมันเคราะห์ายเขาใจมันตกเหมือนรถมันไม่มีไฟในห ม, ม้อแบตเตอรี่เวลาจะติดทีต้องสาโตกทุกทีคอนไม่มีกําลังใจอันนี้เคราะหรายเคราะหามยามลายเฉียบทีนี้บางสกุลเป็นทารู้ว่าอาจินลังวัตจยางประโยชน์ปัทวิงอธิเสสะเทชุทโธ อ, อาเปตวิญญาณอก มีรับทั้งว่าคาึงกลังหมายความว่าร่างกายสังขาร น, นี่ไม่แน่นอนถ้าตายแล้วพูดเป็นภาษาไทยเหมือนท่อนไม้ท่อนหนึ่งก็จริงนะแต่หาประโยชน์บอกไม่ได้สำหรับร่างกายต้องทับถมปัทวิงคือแผดดินไปสู้ไม้ท่อนหนึ่งยังไม่ได้เขาให้คนนั้นพิจารณากรรมฐานพิจนารณาในตัวเองนะให้เรามีสติเสียเพราะเราขาดสติไปคนวยเคราะห์ลายนะ เอาตมาขอเสนอเนียเรื่องจริงไม่ต้องไปให้พระบางสกุลเป็นเลยก็ได้ถ้าเราเข้าใจนะเข้าใจนะเอาตำรานี้ไปใช้ไม่ใช่ไปให้พระอาจารย์สวดตัดกรรมสวดมน้อนสวดตัดกรรมไม่ใช่สวดให้เรามีสติฟังให้รู้เรื่องํานองนี้ให้มีสติจับคุ้งอุทปาทิยานางังจับคุ้งอุทปาทิปัญญาจับคุ้งอุทปาทิวิ ช, ชาจับคุ้งอุทปาทิอาโลโกหมายความว่ า, าไง เราที่มาเกิดกันนี่มาเนี่ยมาเพราะญาณเนี่ยแล้วคณะอาจารย์มาเนี่ยเพราะมาด้วยรถไม่มีรถมาไม่ได้แน่นะนี่เรียกวาญาณญาณังแปลความรู้ซึ่งในปัญญาของตนจากขงอุตยปาทิปัญญาปัญญาของคนนี่นําให้มาเกิดปญญเป็นตัวปัจจัยถ้าหากว่าเราไม่มีบุญมีกุศลนะมันจะแยกประเภทเลยไปเกิดในที่ต่างๆไม่เหมือนกันยกตัวอย่างว่าอาจารย์เกิดดวงเนี้ย ต้องเป็นใหญ่เป็นโตเป็นผู้บริการจังหวัดแน่นอนอุดมมาชอบแต่อีกคนหนึ่งไปเกิดในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีนะพ่อแม่ไม่ดีเป็นผู้หัิการได้ไหมเป็นเจ้าเมืองไม่ได้นะเพราะกรรมนำไปเกิดเวลาเดียวกันนะเวลาเดียวกันร้องเอาแว่ตกฝากอันเดียวกันทำไมไม่เป็นเหมือนกันเพราะคนเรานี่มีสดวงอาจารย์ตาอตมามว้ดวงที่หนึ่งได้แก่วันเดือนปีจไม่ไนดะ้เวลาเกิด เขาต้องการจะให้รู้ว่ามรเกิดในโลกมนุษย์นี้เป็นเวลาเท่าไหร่40อา5องศาหรือ90องศาลิบดาแต่รประการใดสิ่งวัดล้อไม่เหมือนกันสิ่งเวลาไม่เหมือนกันนะนี่ดวงนี้นะเขาต้องการให้เรารู้ว่ามีอายุเท่าไรและโคจรของไอ้วงจรของชีวิตเท่าไรนี่ต้องการอย่างนี้แต่ก็จะสู้ดวงที่สองไม่ได้ดวงที่สองเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงคือ7ชั่วโคต บางคนไปเกิดดวงเท่าเราเนี่ยไปเกิดเจ็ดชั่คนไม่ดีพ่อแม่เป็นเชื้อพ่อแม่เป็นโจรแล้วเราจะเป็นใหญ่เป็นโตเป็นอาจารย์ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ก็ยังจับจุดนี้ไม่ได้กล้องดูที่สามดูที่สามเห็นชัดเลยไม้ภผยตามกล้องพี่น้องต่างใจเหมือนกันทุกคนไหมนี่พี่น้องเรายังไม่เหมือนกันนะนี่ต่างคนต่างทาํามมาคือวิบากกรรมไม่ใช่ก่อนทํามมาไม่เหมือนกันคือเป็นอย่างนี้ แต่ที่นี้กรรมปัจจุบันทีสามารถแก่กรรมในอนาคตได้กรรมปัจจุบันนี้คือปัจจุบันนี้สร้างความดีมันจะได้ในอนาคตนี่ปลาลบสี่ดวงขึ้นมาบางคนไปหามาดูยังไม่ถูกต้องไอ้วันนั้นปีนี่ยมันเกิดดวงนี้เป็นราชาโช่เป็นผู้ว่าการจังหวัดเป็นรัฐมนตรีไอคนหนึ่งทําไมถึงแบกกระสอบเข้าสารโลสีมาจนบัดนี้เป็นจับกลางนี่ดวงไม่เหมือนกัน เพราะการกระทํานี่สําคัญมากเราพุทธเจ้าจึงทรงสอนว่าการกระทําต้องฝืนดวงต้องฝืนท่าพระพุทธเจ้าบอกว่าคุณหนูไปให้หมอดูว่าสอบได้ได้ไหมหมอดูบอกสอบได้อันดับหนึ่งปรากฏออกมาว่าสอบตกแต่หมอดูบอกว่าคุณจะต้องสอบตกดวงไม่ดีแต่ขยันหมั่นเพียรเพิ่มขึ้นสอบได้เลยนี่เห็นไหมเนี่ยนี่เป็นดวงปัจจุบันเป็นดวงปัจจุบันบางคนไม่รู้เนี่ยไม่รู้เลย พระพุทธเจ้าทรงสอนยังไงรู้ไหมเอาปัจจุบันปากอย่าววยใจอย่าเบาปากอย่าไว้ใจอย่าเบาเรื่องเก่าอย่ามาลื่อเฟ้นเรื่องของอื่นอย่ามาเค็ดเค็ดที่ชอบปัจจุบันทําเสียนี่แก้ก to ําในอนาคตแก้กรรมในอนาคตได้อย่าลืมทีเดียวไปไหนปากอย่าววยใจอย่าเบาเรื่องเก่าอย่ามาเลื่อเฟ้นทเรื่องของอื่นอย่ามาเค็ด กิจที่ชอบทำเสียขณะนี้เป็นคบเราแน่นี่ผู้เจ้าสอนต้องฟื้นอนาคตเอย๋ยอนาคตวันข้างหน้าพี่น้องทั้งหลายเอย๋ยแต่นิจังทุกขังหนาตาอย่าจับมั่นคันให้มันตายเราจะผิดหวังจะเสียใจตลอดชีวิตนี่ผู้เจ้าสอนนี่ดวงนี่แน่นอนดวงแน่นอนมีความหมายมากแลวจะแก้กรรมยังไงแก้กรรมยังไง อาตมาจะเอาเรื่องจริงให้ญาติพี่น้องได้ทราบโบราณเนี่ยของให้กับเร